ทางจิตตั้งใจเนาะเป็นบุตรเป็นกุศลเป็นเดือนมหามงคลคือคนว่าเดือนกุมภาโบราณเราเก็เดือนสามเพลงนี่เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวัานสำคัญชังมีพวกเราที่พระพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมตตาฉันนก็คิดว่าจะได้เผยแผ่ศาสนาเพื่อ ให้ทั่วโลกอธิษฐานจิตและตั้งใจพากันเดินไปไปคบกันอยู่ที่บันลังหน้าพระที่นั่งท่านเมตตาเนี่ยไม่ได้นัดหมายคือว่าหนึ่งพันสองรอยห้าสิบองค์พระอาหารหันต์ทั้งหมดมันก็เลยเมตตาแสดงธรรมโปรดในวันเดือนสามเพลงเดือนวันที่สิบสองหรือวันมคะก็ตั้งใจ วันที่หนึ่งไปจนถึงวันที่สามสิบเป็นว่าเป็นปีใหม่ของพวกเราก็่าไ้เป็นปีใหม่ในศาสนา ท, าทั้งธิ์ตังใจรับศีนก็ไปปฏิบัติรักษาไปรักษาศีนห้ารักษาศีนแปดมรดุนิพานปีนี้พุศกราชสองพันห้าร้อยหกสิแปดนอยมแปดต่อไปก็ขยับไปเรื่อยๆผ่านมาถึงจุดนี้เลยพวกเราก็สดชื่นเบิกบานยิ้มแย้มแี่มใส มี่เบิกบานตามพระบิดามารดาปุยญาตาญิยายพระลงมาเกิดทางบุญทางกุศลเมื่อไรก็ไปพบเพื่อนอย่างไม่ถูกต้องไปเกิดกับคุณพ่อคุณแม่ศาสนาโน่นศาสนา น, น, า น, านี้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าศาสนานี้เป็นศาสนาที่ประเสริฐที่สุดสุดยอดท่าไหร่ทาได้มันมีตัวอย่างให้พวกเราก็คือพ่อแม่หลวงปู่มัน่นหลวงตา บ, บัวหลวงปู่โต อืครูบาอาจารย์แต่อุ ум, โมพวกเรามาถึงจุดนี้ก็คือวันพระบุรุษปุญญาตายายออื200ปีหรือว่า150ปีปุญญาตายายเรามาเกิดหรือลูกหลานพวกเราเป็นหลานเป็นเหลนเป็นอะไรก็ออืแม่ทิมแม่ทิมรอยเท้ารอยธรรมของปุญญาตายายของพวกเราถือศีลของพระพุทธเจ้ารักษาศีลวันวนี้ทุกต้องดีงาม พากันสวดสื่นเบิกบานได้ทําบุญปีละครั้งก็เหมือนกับทําอยู่ทุกวันนั่นแหละปีละครั้งก็ดีดีใจไม่นานก็ได้มาพบกันอีก ไม่นานก็มีเดือนกุมภาพันธ์เดิมอีกไม่นานถ้าตายไปก็ได้รับบุญที่เราสร้างไว <c> ้ <oughs> เราก็รีบทําเอาวันนี้โชคดีเป็นสิริมงคลเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่เด้อพี่น้องทั้งหลายทั้งนอกทั้งในนั่งลงอนุโมทนาบุญวันนี้อนุโมทนาบุญผู้ก็จะได้ว่าว่าบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ให้อถึงใจให้เป็นบุญเป็นกุศลไปหาผู้มีพระคุณ ผู้ยังอยู่ก็ดีผู้ที่ล่วงลับดับไปก็อาศัยพวกเราแม่หลวงตาพุนเทศไว้อย่างนั้นผู้ญาตาิยายต้นบุญปิดาบันดายังอยู่ก็ดีผู้ญาตาิยายเพื่อนรัก้ักแพงที่มาเกิดในร่วมกันร่วมหายตาจากก็อาศัยกับพวกเราเราว่ามีกองกักระกลุกุศลอันยิ่งใหญ่คือว่าสรางองค์พระทาต พระมหาเจดียด์เลยตั้งอยู่ในบนเรือคนว่าภูเขาลูกนี้ต่อยอดคนว่เาเป็นเจดียด์เก่าเขาเอื่นภูล่อมเข้าภูล่องเข้ามันเหมือนพระธาตุเขาเอื่นพูล่อมเข้าคนโบราณคือกุ้มเข้าใหญ่กองเข้าใหญ่แล้วมาสร้างต่อยอดคนว่เาเจดีย์เก่าต่อยอดขึ้นไปจากฐานเก่าขึ้นไปสามสิบสองเม็ดมงค์คนแต่องค์ยอดพระสัตว์เจดีย์ห้าเม็ดก็ครบสามสิบสองเม็ดมงคลเลย ห้าเม็ดนั่นรวมเป็นเงินแปดล้านเขาอกเออเจดีย์อันยอดเป็นทองคําหุมหอนันแก้วโปร่งคามเป็นดอกบวัวเาใส่ถึงจุดนั่นเลยพร้อมการสร้างแล้วก็มาสร้างเออ ห, หัวหัวสวน้องหงบอกใส่หัวเรือไปดูแล้เมื่อวานเขาจะส่งขึ้นไปล้านสองแสนอีกตัวดี้ขาอกๆๆแต่ว่าอันศักสิบเอ็อยนี่ว่าเท่าไรก็จะเป็นเท่านั้นต่อไม่ได้ แต่ว่าถ้าเราถูกใจก็เอาเลยคืออะไรถูกใจสถาญาติโยพ่พรอมกันแล้วก็ช่วยกันทำช่วยกันสร้างเอาไปใส่แล้วก็เหมือนเรือสำเภาแก้วสำเภาทองที่ว่าตั้งอยู่ในบนเรือองคพระธาตุเจดีหลังนี่สำเภาแก้วสมเภาทองว่าเออนักปาดครูบาอาจารย์ว่าจะได้พวกเราจะได้ขี่ไปนิพพาน ขีเเรือตัวนีไปเลยพียักษ์อควมานภัยนี่ตามไปไม่ได้มันข้ามน้ำไม่ได้พวกเราภาวนาเก่งก็ตามพระพุทธเจ้าตามพ่อแม่หลวงปู่มหาวัวหลวงปู่มันขึ้นเรือสัมภเวสวไปเลยทุกคนจะได้ไปหมดผลว่ามันยังไม่ถึงเวลา ทานยังไม่พอยังไม่พอทานที่เล็กแ ล, หลก็หน่อยเหมือนันลองจาว่าฝนตกเงี้ยเล็น่อยก็เต็มองค์เต็มหาเต็มทุงเต็มบอ่อไปหมดเลยเราก็ค่อยทำไปมีบางทีวันนี้โชคดีเป็นจิลิมงคลแก่พวกเราวันเดือนมหามงคลวันมะาะบูชาที่ที่เก่าไปนั่นแหละก็จะได้ เป็นบุญเป็นกุศลนั้นยิ่งใหญ่ส่งบุญไปให้ผู้มีพระคุณสาราพระพุทธเจ้าคนว่าก็เขาสิเรื่องใสเมืองอินเดียกล่าวว่าคิดหอดปู่หอดตาหอดยายผู้ที่ร่วงรับดับไปเลยออไปทานกับสงพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าดีใจปิติวางลายเห็นในหูในตามามารับส่วนบุญมาอนุโมทนาบุญผู้มีพระคุณะเขาก็เลยศรัทธาออกบวชให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้นอ้องโยกนั่นเลย คงจะแปลนไปหมดแหละอันเมืองอะไรแปลนไปกับคนที่มาเกิดน่เชื่อพุทธเจ้าเป็นเทศแต่ละจุดละทีนั่งไม่กลับบ้านกลับเรือเลยบรร ล, ลุถามเจ็ดวันก็ถึงนี้ผ่านได้เพราะว่าสามเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดปีถ้าเกินนั่นไปเลยก็เหมือนต้นไม้ไม่ออกด อ, อกเขาก็ตัดทิมต้นข้าวไม่ทานนา้าฝนไม่ตน เ, เอาเอาข้าวเอาเข้าวดอขึ้น ลงไปทางทางน้ำนํำกันเลยเอาเข้างานขึ้นโคกปีมะหลงบนันฝนไม่รวยไพอให้ก็ตายเหมือนพวกเราลืมหน้าลืมหลังจะหลงเหมืนว่าเหมือนเข้าแม่ทานน้าหรือว่าคือเครือเข้าหลงหรือว่าอะไรหลงก็ยังเกิดยังตายอยู่อย่างนี้ก็มาวันนี้ต่อกันไปได้ทำถึงจิตถึงใจทานบา ร, รมีแล้วก็ขอให้สุขคุ้มมาปัตนาคองมศรัทธาญาติโยเดอร์ได้ทําบุญก็ให้นึกผู้มีพระคุณได้สร้างบุญกับ หลวงปู่สั่งองค์พระธาตุองค์พระมหาเจดีย์ผู้รองข้าวแล้วก็เป็นเรือสุวรรณหงษ์ใส่หัวหงษ์ใส่หัวเรือสวยงามเเห็นก็ว่าสวยงามทางหน้าก็เป็นน้าเขื่อนน้าอูนทางหลังก็เป็นป่าเมื่อเรือจะลอยไปสวยงามลุมงยืนเป็นสุขแก่ศรัทธาญาติโยมอนุโมทนาบุญให้บัดนี้แล้วตอนตอนเที่ยงจึงอธิบายกันว่ากันไปอีกนเมตตาให้ความสุขความเจริญแก่ ศรัทธาญาติโยมได้ถวายมหาทานอันยิ่งใหญ่ ผู้จนเหนื่อยจนเหนื่อยรับไปปิติอิมในบุญในกุศลของกทายาตโยมที่อืพากันมาส่งบุญทรงกุศลให้ผู้มีพระคุณทั่วไปเราเป็นเจ้าของของบุญผลว่าหลวงปู่เซรี่ผู้เราให้ผูเ้เราเนี่ยเป็นบุญนั้นยิ่งใหญ่แก่เราผู้ที่มารับต่อไปก็เป็นบุญของเขาอีกส่วนหนึ่งบางรายผู้ชายเป็นเทพบุตร ท, ทันทีผู้หญิงก็เป็นนางเทวดารันทีในตำหรับตาลาพ่อแม่หลวงตาพระบัวที่พนเมตตาไปโปรดในเผาศพแม่สีวัน นี้ที่วันที่26สิงหาคุณบอมปีพนอายุได้93ปี94 93คุณ่อก93เลย94ได้13 14วันมานี่เแหละคุมันยากเขา94เขินประเทศคุณเล่าให้ ฟังเทศกันนี่เลเข้าใจง่ายคนว่าเข้าใจตั้งแต่สามพระเวสีตั้งแต่เปยตพีปีศาสตร์จาระโลกสั่งไปแดนนรกเพิ่งก็พูดแล้วก็ไปถึงสอนให้ลูกให้ล้านถ้าบุรุษใดมีตั้งใจปวดทุกข์ปวดยากได้ก็เออเป็นนี่เป็นสินอะไรก็ให้นึกพุทโธบริกรรมพุทโธตามลมหายใจหลับกับพุทโธ ฝันก็ฝันเป็นมงคลฟังเสพนัสสังไว้แล้วฝันเป็นมงคลก็อพูดแปลไปเป็นเงินเป็นทองไปลงทุนลงอะไรก็ดึงดูดเอาทรัพย์สินเงินทองมาเป็นสิริมงคลแก่อืธาตุแก่ขันแก่พวกเราทั้งหลายเมื่อเรามีพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเพื่อนบอกว่าให้หลับกับพุโทโธทำโมสังโฆอาจจะอะไรมาเป็นอารมณ์ของจิตก็เอามาบริกรรมเย็นขอให้ถธายทายรวมตั้งจิตตั้งใจในวันนี้ขอ รับรื่นสมควรมุ่งมะปรารถนาต่อไปนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะยกเคอวุโสอยังปัรรมภาโคเทระสาปาปูนาติอวาสเสสาปาฆะอัมหะกังปาปูนาตุภิกขุจขะหทจจะยถาสุขังปริพุนสันตุ Thank okay. you. ยาถาวาริวหาปุลาปริปุเรนติสาครังเอวเมวอิจโตทินังเปตานังุปปักปฏิอิสิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมมสัตุสะเพปุเรนตุสังกภาจันโทปนารโสยาถามณีโสติลาโยาถามิวัสันตุสะพารโกวินาสตุมาเตภาวัฏวันตารโยสุขีธีคายุโก พระว่าอาภิวาธานาสิเรสนิจังบุทาปจายนโนจาตาโรธรรมวาวทานติอายุวันโสุขัง มาลางอายัญจโกดกินาดินนังิสุปติติตาทีคารตังหิตายสาทานาโสปกปติโสยติธรมโมจายังนิทัสโตเตตานาวุสจะาุลลามารัญจาภิกุนามโนปารินังตูมเหหิปุญญพสุตังอนาปะกันติลัตนตยานุภาเวน ละตนาตยาเตสะสะดุขาโรคาพยาเวลาโซกาสันตุจุปะทวะอเนกาอันตรายปิวีนาสันตุอเศสโตสจยาสีธิทานังลางสวดทิพภากขยังสู่ขั้งพลังสีลีอายุจวันโนจะภูขังอุติจะยาสวะซาตาวสชาชาอยุ่ จีวาสิทธิพวันตุเตบาวตุสาพมังคาลังลาัตุสาปเทวตาสาภาบุทานุภาเวนจรสุธีพวันตุเตบาวาตุสาพมังค่าลังลาัตุสาปเิวตาสาภามุทนุภาเวนจรสุธีพวันตุเตาวตุสา พมังค่าลังลคันตุสาปฏิวตาชาปังคานุภาเวนาราสทธีภาวันุเตสาธุขอการอุครับขออนุญาตให้ญาติโยมได้ แผ่เมตตาอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศล น, นะครับจากหนังสืออมตะธรรมสมเด็จโตพ ร, รังสีท่านกล่าวไว้ไว่าอย่างนี้นะครับข้าพเจ้า ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปให้ทุกรูปทุกงามทั้งยี่สิบชั้นพ oh รหมาโลกหกชั้นเทวโลกมนุษย์โลกมารโลกยมมาโลกอบายภูมิทั้งสี่มีนรก เปรตปศุรกา ย, กายสัตว์เดรัจฉา น, าานและในหมื่นโลกธาตุกับอีกแสนจักรวาลพิภ พ, ท, พ, พทั้งที่เป็นมนุษย์อามนุษย์ รูปวิญญาณรูปวิญญาณและสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรและศัตรูตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าขอให้ทุกรูปทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกัน และกันเลยขอให้ทุกรูปทุกนา ม, นามจงโมทนาในส่วนกุศล น, นี้นพึ่งได้รับประโยชน์และความสุ ข, ขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รั บ, รบนาการบัดนี้ด้วยเถิญ อ, รอระรา อัมมาซัมพุทธโอพระสวัสดพุทธังพระพะวันตังอภิวาเทมิสวัสดคาโตค้าขวัตตาธรมโมธรรมังนามาสามี ปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนะมามีสาธุอนุโมทนาคาถาบทนี้ให้ครั้งท <ok ี่สุดเด้อคุณวะรังจะคือคุ้มครองพวกเราไม่ให้ตกไปที่ดำเท่านั้ เออไม่ให้ประมาทอะไรทั้งสิ้นมโหสีกรรมให้วาจีกรรมมโนกรรมว่าให้มีเกเสศรัทธาญาติโยมลูกหลานต่อไปเออให้มีแต่ความสุขความเจริญรับประทานอาหารและตอนเที่ยงถ้าคุณได้มีว่างๆมีศรัทธาก็มาร่วมนั่งเอ อ, เออวังผื่ผนน ครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันก็ตักเผื่อแผ่กันนะครับให้อิ่มท้องกันให้ทั่วถึงก่อนนะครับ มันไปไปไปไปในประเทศประเทศกัิกัปตอนนี่แหละสันจารแล้วเพื่นเสด็จตัวขับวิ่งแล้วเพื่นว่าประิทศสานเขาแล้วก็ที่เตรียมไปจากหลวงปู่อุปาเดียวกันเพื่นไปอยู่กับปูได้สิบเอ็ดพรรษาแหละคือพระเชียงใหม่เพื่อนอยู่รักษารอยเท่ารอยธรรมวังแพร่พ่อแม่หลวงปู่ประสิทธิ์เนาะคือนั่นแหละนี่อยู่วัดอะไร นุ่งกัตชีโมเมืองพนวาท่านอาจารย์อันก็อยู่ในวัดพบกันอยู่ก็สมุยท่านก็กราบแล้วกราบอีกทุนนั้นลุกติดตามพุนนั้นเอออยู่ใกล้นั่นแหละอยู่ใกล้กับที่อยู่เจ้าของพื้นที่มาบวชได้สองภาษาแล้วกับภาวนาอดทนอย่างที่สุดเลยอดทนอดอาหารอดทุกทุกอย่างแนะนําให้สะท้อนกิเลสออกแล้วมันสบายแล้วมันกับเบาไปเรื่อยๆ หากิเลสบังคับแล้วอยู่ไม่ได้มันร้อนก็จะได้ไปมุดน้ำดำดินนะหากินกับขวดปิ้นพิกกินกยูยงนั่นเดี๋มันไม่จบสิน้นมาภาวนาพุโทโธสบายใจเลยเลพิ่กราบเพิ่งไหว้แลวรีบทำเอาให้มันใสสะอาดให้มันพ้นภัยไปพ้นทุกข์พ้นควรเจ้ามองขุณมัวไปเนาะอาสาทุกัน